มาจากชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งการทําให้ใจเป็นสุขนั้นก็หมายถึงว่าให้เรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรากําลังมีอยู่และกําลังเป็นอยู่ใจที่เกิดขึ้นจากความพอใจนั้นนั่นคือใจที่เป็นสุขเรามีสิ่งใดก็ตามเรากําลังเป็นอะไรอยู่ก็ตามณปัจจุบันนั้นถ้าเรารู้จักพอใจใจก็จะมีความสุขขึ้นมาทันที เพราะนั้นสรุปแล้วความพอใจนั่นแหละคือทำให้ใจเป็นสุขอันนี้เป็นการทำให้ใจเป็นสุขนะต่อไปก็คือการทำให้ใจไม่ทุกข์นี่ก็เหมือนกันแต่มันเกิดจากสิ่งที่ตรงข้ามกับความสุขนะการทำให้ใจไม่ทุกข์นั้นเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางหรือไม่ยึดมั่นถึงมัน่นในเรื่องราวต่างๆ